ที่เรากําลังกําดูขนาดนี้มันเป็นการกระตัดชีวิตเพื่อให้อยู่ในเส้นทางนิพภาพของชีวิตแล้วก็เป็นผลเรียนหนึ่งที่สมมติท้าโลกเขาให้พรปีใหม่ค่ัอันนี้เออปีนี้ทางกั น, นักโมกก็ได้ กะตัดชีวิตเพื่อให้เป็นชีวิตใหม่ก่อนรักปีใหม่ของสี 2,527 อาจารย์ไดพูดว่า <c oughs> เส้นทางของมิตรภาพของสีวิตมันเป็นเส้นทางที่ราดเรียดไม่มีการกระบุกไม่มีหลงไม่มีบอกชีวิตของคนเรา ถ้าเรามีสติปัญญาดังที่ว่านี้มันก็เท่ากับว่านิสชาภาพของชีวิตมันทําให้ไม่มีหลงไม่มีบอกชีวิตของเราก็เลี่ยงง่ายซึ่งการแต่กระาชีวิตของเราเพื่อให้ขึ้นตู่นิสชาภาพก็คือเรามากําหนดให้มีสติอยู่กับเรืบทที่เรา ไน้กำหนดได้สร้างรูกเบ็กมีสติดูกายเคลื่อนไหวดูใจมันชิดนิดให้รู้เท่ารู้ทันมันตายที่เราเคลื่อนไหวไปมาให้ใช้อริบทบที่ดัากสก่อนการตั้งจังหวะการเดินรงกลมเป็นอริบบที่อยาก เพื่อเป็นการปรยทางของชีวิตและให้มันได้ประสบพบเห็นสตวัวสติและได้สัมผัสสตวัสสสตวสติจริงสติถ้าเราพูดตามอตามที่เราจะต้องได้สัมผัสถ้าเราพดราูด ว, ว่าสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัอตอตวอันนี้ใครก็ว่าได้ คือเด็กว่าได้มันเป็นมันเป็นภาษามันเรื่องภาษาถ้าให้มันเป็นกติปัฏฐานมันต้องกําหนดได้ติกจับได้สัมผัสกับตัวสติขณะที่เรากําหนดเอาเมื่อเอากติไปดูกายเคลื่อนไหวไปดูให้สัมผัสอยู่กับกติอายใจตายเป็นที่ตู่ กติมันไม่มีตัวมีตนไม่เป็นล้นเป็นก้อนจิงอาใส่ตายเป็นที่สุดมันเป็นคน ม, มันเป็นนา ม, มะธรรมมัน ต, ตัวิสิทธิ์กลางอาใส่ตายเป็นที่สุดผู้ที่ฝึกพัฒนาปฏิผู้ที่จะเริยสติก็ต้องไม่อยู่ในนี้ให้สร้างจังหวะให้เดินรนกลมเคลื่อนไหวไปมา ดีปติรู้เห็นให้เห็นกายเคลื่อนไหวโดยเห็นตายเคลื่อนไววหนนไวนะคือโดยสติไม่ ต, ต, ตาเป็นผู้เห็นไมตาเป็นผู้เห็นให้อายสติเป็นผู้เห็นให้รู้ที่ด้วยธี <c oughs> ที่จะให้รู้ให้เห็นตายเคลื่อนไหวบางคนก็ทำไม่ถูกใจให้มันอยู่เลยนั้นก็ไม่ถูก เพียงแต่รู้ให้รู้ว่ามันเคลื่อนไหวไปมาแล้วไปขี้ก็ไปขี้บางคับให้มันพุ่เลยถ้ามันไม่พุ่มันจะกลายเป็นสมรมชัติมันจะสงบมันจะอยู่นิ่งควรให้ง่วงควรให้กงก้ามเคลนให้เรียนมาเคลื่อนให้อุดตัดผัดเือนทก่เรื่องที่ต้องทำเบา เพืจะให้กําหนดรูปเป็นจังหวะเป็นจังหวะดลังที่เราข้างจังหวะข้างเป็นจังหวะขณะที่กระเทงมือขึ้นให้รู้สึกยกมือมือก็รู้สึกเป็นจังหวะเอามาที่กระดูกกระรูกยกมาที่หน้าอกใหรู้สึกยกออกไปให้รู้กวางลงไม่ลงให้รู้สึกว่ามันลงรู้สึกเป็นจังหวะ ไปี้ไปเลยให้มันอยู่น่องอยู่นื่ ง, น, งนั้นไม่ <c oughs> มันจะเป็นการเพ่งมันหนักตําหราพูทางนีมันมันเป็นหนัหก น, น, น, นเราไปเพ่งไปี้อมันห น, ออหหอนหนักก็ทำให้าาเวียนหน้าไม่อยากทาตอนเทียนวิธีที่เราฝึกใหม่ๆให้มันเป็จนจังหวะเป็จนจังหวะ มันทําหน้าที่จนๆอ่ะให้มันเห็นมันเห็นมันลู่มันลู่สึกมันลู่สึกอะไร่างเงเป็นรือต้นจนกว่าเมื่อเราทําบ่อยๆมีสติเข้าไปเห็นกายเคลื่อนไหวบ่อยๆมันจะเข้าใจมันจะลู่แจ้งมันจะเห็นลู่เห็นนามเป็นลู่ทำนามทำ ดังที่พวกเราได้ฟังมาคุณนี่ว่าลูกก็คไปจา ย, ยางเรานามก็คือตัวจิตใจมันอาศสยกันอยู่นี้ทัทง้งลูกทั้งนาำมันอยู่ด้วยกันมันไปด้วยกันถ้าเราไม่เห็นในลูกมันมันจะไม่มีความเข้าใจในเรื่องต้ น, นาการที่เราได้เห็นอาลนลมลูกก็เหม้อนกับเรามีที่ทักที่ เหมือนกับว่าเราใไจ่ส่านนี้ลาวกันโอกาสที่จะมันจะพัดตกลงในสตรที่ต่ำมันก็มีการได้อารมณ์รุกนี่ต้องให้มันเห็นต้องให้มันได้อารมงการจเจริญสติปัฏฐานมันมีอารมณ์เขาเรียกว่าอารมณ์วิปัสสนามันรู้มันพ้นภาวะเก่ามันเห็นที่ มันาก็บหลักมันได้หลักมันได้หลักได้ถาวรรูปป้นอันหนึ่งก็เหมือนกับเรานั่งรดโดยตาที่ได้เตาอี้นั่งมีสนรรถรูอย่างดีอบอุ่นใจขณะที่รถขี้ท่านไม่มีโอกาสที่จะพัดตกไปทัไน การที่เห็นอารมณ์รูปนามโดนโต้นก็เหมือนอันนั้นมันอบอุน่นมันถูกต้องมันเคื่องมันม่นในการกระทำของตนมันเห็นแก้มันพ้นภาวะเกา่าจากความที่ไม่รู้มันมาเป็นความรู้จากความที่ไม่เข้าใจมันมาเป็นความเข้าใจถูกต้องลงตัวเราก็เลยไม่หลงผิดหลงผัน อารมณ์เลือกนามมันเป็นเรื่องต้นสําหรับผู้เจริญสติสัฏฐานต้องให้มันเห็นเรื่องนีก่อนอารมณ์เลือก น, นามมันจะไปจบอยู่ที่เรื่องของศาสนาเรื่องของทฤษฎีกรรมเรื่องสมมติเรื่องทุกข์เรื่องบุญเรื่องบาป เรื news, heart, children, ่องเรื่องเทวดาเรื่องสมมุติต่างๆมันจกสิ้นเห็นบันไดมันตกสิ้นแล้วในมันผ่านไปคนที่เห็นโลกนามจะมีการกลับถึงใจแน่ๆเที่ยงตรงปฏิบัติตรงคนที่เห็นลมไม่ขิดความเชื่อแล้วอะไรต่างๆความลังเลสงสัยอะไรต่างๆมันเป็นอารมของจิต ก็มาทุกทดเกิดขึ้นตอนนีน้ตอนที่เราไปเห็นโลกนมั น, น ก, ก็เลยเหยียบเส้นทางตรงนีาา้จะเาจะเข้าคอนเสิร์ตจะเข้าไปสู่คอนเสิรยืนจะผูกล้องยืนสูกก่มันเาจะนั่งรถเข้าคอนเ์ดเดินไปยืนอยู่หน้าวั ด, ดก็จับรถหันหน้าจะทางทิศตะวันรถก็จะนาเราไปถึงจังหวัดคอนเส็ร ตารพ้นอารมณ์โลกนั้นเป็นการได้เส้นทางอันโูกเชื่อมันอ่นงนมันมีความรู้สึกนึกคิดหนักแน่นมั่นคงไม่เชื่อหลงงนมยอะไรต่งางๆเป็นสมาธิที่เต็มไปด้วยิต ใ, ใจและกัดกินใจแน่นแน่นไม่ลังเลกันสัง จิจตจใจมันจะเปลี่ยนขึ้นสูงขึ้นพ้นภาวะเดิมร่วงภาวะเดิมการที่จิตใจมันร่วงภาวะเก่าพ้นจากภาวะเก่ า, น, านั่นเรียกวิปตนิยต์เดชจันสว่างเดชดวงปัญญาขึ้นเก่เราแต่ว่ามันเป็นแสงสว่างมงัน ม, มากเทากับมาประมาณากับแสงเทียง แสงเพียนแสงะตะที่ที่มองเห็นอะไรในรอบตัวเราเป็นอันตรายที่จะมาสู่เราเห็นความผิดความผูกมันเป็นแสงสว่าง น, น้อยๆทก่อนไมใช่วิพัฒนา ไ, ไม่ใช่การเดินจงกไม่ไม่ใช่กันสร้างจังหวะแต่วิธีเดินจงกรมวิธีสร้างจังหวะมันมันเป็นร่องต้น ตัววิปัฒนาคือตัวปัญญาที่เกิดขึ้นจากที่เรามาเจริญสติมาเดินตรงผมมาสร้างจังหวะนี่สติรู้รู้็นกรรมแต่ให้ผลเป็นตัววิปัสสนาคือปัญญาเกิดขึ้นพอมันจบอารมณ์รูปนามแล้วก็มากำหนดดูความคิดพอเราเริ่มจั ว, ว่วรูปนาม ที่ตายแต่จิตมันมีสองอันเราจึงมาเด่งส่วนมาดูความคิดแ่เอาความรู้สึกมาอยู่ที่ตายเช่นไหวมันจะมีการเช่ไหวสองอันแด้ตอนนี้คือความคิดการดูความคิดมีสติเข้าไปดูความคิดเขาเรียกว่าบำเ็ทางจิตเอาสติไจิตเอาสติไปมคิด พอมันคิดก็รู้ทันจริพอมันคิดขึมาก็รู้ทันไม่ใช่ไปตามมันและไม่ใช่ไปห้ามมันเพียงแต่เราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของกายของจิตที่มันจะเคลื่อนออกมาในรูปแก่ใจเรารู้ทันเนี่ยคคิดเนี่ยมันเป็นสัมปชัญญะมันต่อมันเป็นธรรมชาติลไหลไปสัมปชัญมันเกิดขึ้น พอเราในจิตไปลูกความคิดมันเป็นสันติมันไม่เป็นสันติมันไม่ติดต่อเหมือนจะยกคนขึ้นบกพอทําไปทําไปแกสันติมาเป็นสติมันสงบมันดุปติปทานมันจะไปกําหนดท่วงอะไรไม่พอมันคิดก็รู้จึดทำนี้เท่านั้นเท่านั้นเลยสิถ้าเกินจะนั่นไปไหน เอมันทําำไมมันคิดมันคิดเรื่องอะไรเดี๋ยวมันก็น้อมไปคนคิดจะดึงออกไปวิธีก็ให้มันนัดก็ให้มันตั้มแจ้นเป็นสัติเราก็ทําหน้าที่เพียงว่าพอมันคิดรู้สึกสันติต่คิดดีคิดไม่ดีคิดผิดคิดถูกเอาไว้ เพื่จะเราจะมาเรื่องสติงานชั้นงานท่องเที่ขึ้นเรื่องเท่ารู่ทันโดยเฉพาะที่เรามาอยู่จุดันเป็นภาคปฏิบัติเป็นภาคลงกะแนนก็ต้องลงเต็มที่ต้องฝึกเต็มที่เพื่อให้มันะติมันร่องไห้ตร า, า, าที่มันคิกขึ้นมาสะลูอทันตราที่มันฝิดขึ้นมาเรื่อตอนนี้บางคนมันจะสึงริบสนง บางงทีมันไปไกผงพวงลู่ลู่เบิดเถื่างไปตกผงควงลู่มังที่เจ้าของตกควงยังคิดยังโผล่ถ้าที่ตกผงควงลู่จะว่ากินไปย่านเมื่อตกผงคองรูไปตัววิปัสสน์เกิดก้อนสงบเกิดก้อนเย็นดีอบดีใจ นีสติมีสัญญาดูอันนั้นดูนี่ดูไปไหลนั่งดูนอนดูอมยิ้มอยู่ตลอดนี่คิดไปค้น้นึ่งทิไปเอกผู้หนึ่งิดบอกจังหวัทคิดอนจังคือคิดเห็นทีเห็นนั่นน้ำตาไหลตุลังนอยากไปบอกอดก็ล้นกนบัวดู อ้ารย์จะประกาศใหเขียนสิ่งมันสูดสิ่งเศษดข้ันที่เทั้งที่ผู้ทั้งผิดเองทั้งไปจบผงพรมลูเขาเรียกว่ามีกัปสโนหรือกินตะยานบางคนอาจิเท่เลยัต่ขนาดนั้นข้อคดีตัดคอามไม่าาจเขียเวลามีกัปตโนมันเป็นทางเงืนกง่เสียนเวลาเพราะ ถ้าสิบส่วน้าะิ row, lady, ีส่วนให้ถึงให้ถึงกค็ดหมายไ่ทั้งของสิบเขากระึงมากำหนดตายเคียนไหวม่้สติดู้ตอต่อกไนั่นจะไปเห็นอ่านรมของปรมาภมวัตวถุปรมามอากาวัตถุปรมาภิอากาอาการของกายของส มันนี่ปฏิกิณญานี่โดดนีรถทนี่อายตนะนี่ตานี่หัวี่จมูกนี่หูนี่ตานี่จมูกนี่โดดนี่จีนนี่เสียงเป็นปูเป็นปูเห็นกองสังขารเห็นตีต่งเห็นตีเต๋เห็นีเห็นตุดของมันอาจารย้ามันจะเกิดอย่างน้หยนี่จะมีผลกลูเท่นท่านต่อเห เรียกว่าปรัมมัอาล้มปรัมมัติทีของสิ่งที่มันมีอยู่กับคนที่จะปีนหน้ารอบลล่ในดาบเพราะว่าซ่ ร, รอบโลใ่นนลโลในกล่องสังขารเห็นสังขาเห็นสัญญิเห็นความค่แต่งเห็นมันเก็อ น, น, นันไว้นั่นก่อกลนต่างนี่จะิีะเบดูทำสัาิให้เป็นสันญิสังขารให้เป็นห ย, ย ส, สงังข า, า, นนางร ลวงคนเนี่น้องมันเกิดอดไรขึ้นว า, ล, าลวงคนอไเนีย่ยทําไล่ล่าฉองโฉฉเน้ออันที่มันเป็นเพื่อนปรุงแตมันตอมันแตกมันปุ่งมันมันจิ้มชเํยขิ้นมันเคยไหลปต่แบบนี้มานที่ติดสมดุลเลหลุดเลยผลความพลังเล่ยของสายจะเกี้ยงสิ่งปรกับ เหมือนกับแสงดีออกรอบลูกอะไรรอบลูกในกล่องกัน้นใจจะขกอนคิดเน็ตข้อมโลภข้อมโกรธข้อมหลงไหวไหมอาชีตังบสตแต่มันไม่ไอุนมันยงหายข้ามลูกอันนี้เ <c oughs> มื่อเขาไปเห็นาอารมณ์ของตระมาตรูปมืมนกับ ฝายขาดมันเป็นญกญันย้ามย่ามสัญญนย่ามแน่แน่กจะถีป็นเจ๊งาเต็มที่เขื่อนกบฝายขาดเขื่อนเกน็บน้มที่เก็บน้ำหลายหลายๆมัขาแล้วจะน้ฝายขาดงามแน้แน่มันไหลพัดต้นใหม่พัดบานพัดเฮื่อนอขลั่งทรายั ก้มผูกที่ Finanz, ructor, Michaels, เ, Behavior, เป็นตัวเป็นสองคมันเกาะมันเดียวเทนันทเลยดูกตะดูตะดูเพราะการไฟสุดดุท่าไฟสุดดุท่พวกผงทีงหลังคู่ผงอัดเอาเงื้ยค้นพัดเอาต้นใหม่พัดเอาค้อนที่มันมดสะอาดตายเป็นน้ำบุกเลยไปเตลี่ยงหมดก็ไม่หลังเต้นมันไม่มันยังหากดิหาก รอยหกักแนนงหักยังหาดไปบ้าเหรือหักเกี่ยวแต่วางทีตอนที่สามสิบที่ถ่านมาได้ไปอบรมในต่างประเทแล้วก็พาขี่รถไปแถวบางจาุดแถวพาถโนแถวมาีูรายร่างข้อมแน่งจนบางทีจะเดิ เพราะนั้นมัมนมีมกอกการถนนมีมีเกอะการถนนแล้วก็มีต้ น, มนตมตไนนมกก้นนยอยู่ตามกอกแล้วก็ต้อพ่อประต้นไม้กันมานสักเยอะยุตห้าด่างลงดีนห่าห้อยมาตัแดงมั่มีกอกปุกมะมันก็บกันพวกปัรญาที่ไปทำไร่ทุกทุกนี่คือน้อยบด ปัญญาที่เป็นตัววิปเทนานเป็นการบันตุมอันเนื่องปั ญ, ญาพเพื่อไปพบไปเียงคุณอะไรมันรุดกลดแบบนี้นมันฟาดนไ้เหลืออันนึงที่จี้ที่หากเกี่ยวอีกทีจี้นัน้นก็ตีคนอ่ะที่คนเราสิดใจเราจะมาบำเพ็ญท่านสิดต่อไปอีตสิษฐ์ปิบัติที่ก น, นนะ ไปเห็นข้อมจิตโอ้ข้อมจิ่ก็จะมีที่แทะเข้ามาเขาบ่อเข้าบริจิตเาดูในมจิตเขาบกาเห็นข้อมจิตเวลาลมตกเกยเห็นอารมณ์โลภนั่เห็นอารมณ์ปรมัยนั่นเห็นข้อมจิตเิดขอมการ้เห็นอมจิตแตง่นเป็นคนหลั่ก ต้นิดนันก็เป็นคนหนึ่งแต่เห็นคนคิดก็แตกมันกระหว่างมันมันสะดุ้ดก็เห็นต้นคิดที่นี่นั่นไปเห็นกุสนับกุนไปเห็นอีกขณะโลกพาโทษสระลาเงาของอกุชนมุนลาเงาของอากุชนมุน กูชนหรือกูชนไปเห็นโลกะโทษตะเอมเหมือนกับว่าเห็นตนใหม่ที่มันขาดเอา ห, ากอหากอัหากก้อยหักแขนงไปเดือดหักเกี่ยวอย่างไปเห็นโมหะโมหะหนี่มันเป็นทองอยู่กลางๆที่จริงกัน ท, ท้หลวงพ่อยเสียหลังพ่เี ย, ทเ ย, ทเ ย, ทเยโทษตะโมหะ โลภะโมหะโยกาตัวโมหะตรงนั้นก็ว่ามันจะเอียงไปทางใดก็ได้ความรจริงถ้าเปัจจัยนีทานจะไปเท่าัตัวโมหะโยกาลากเงาของอากุศลมุ่นถ้ออาอกุศลมุ่เรานีมีอยู่หงสองสามสก็โลภะโะอากุศลมุ่นมุ่อันน 10. ยังเกิดขึ้ที่เกิดเป็นแล้วแต่ที่จะเล่นมาเพราะมีโรคพรมีมที่นี่ี่นี่กูสนโม่พื้ตัวโรคผทีเพ่อตอนสตจะเด่นท่านดูสติเห็นเป็นโลคเห็นโม่โอ้กูสอนโมนพื้ตัวสติท่านรอ เกิสติมันเราได้ดูหลอโ อ, อกุศลอกุศลก็ดีนันหมายถึงความนสติมันเป็นากุศลกันดีสติมันเป็นรอมันเป็นหนารเพราะว่าเัวสติเป็นตัวบุญผลเมืม่อสติอยู่อัโมหะระบบที่เข่ พอไปเห็นแักษณะนู่นแกงเห็นแดดนี่ยึดเตียงดู่ึดพ่นดูมันนู่นจดูอาการเปิดดับของห้า ม, ม, ม, ม, ม, มันลูพอเห็นเตียพ อ, อ, อ, อ, อ, อ, อไปเห็นล่าเงาของกนู่นร่าเงาของอริเตอร์น่นที่สิตจไปถ้ำไปมันไปเห็นอาการเปิดดับของหาง ม, ม, ม, ม, ม, มันด อาการระดับของหลูหน้ามันจะเป็นอย่างน้อาการระดับของน้ำหลูกเป็นอย่างนี้ปัญหาที่ตั้งหดปหาที่ตั้งหมดทีที่ที่้อปฏิบัติมานตมนนั้นที่ที่ห้องเพื่อลูกที่บ้านไม่้มันติดเต็มหรอกมันเป็มตัวที่เลยก็มันหลูกเนว่ยรอกมันเต็มมันทาได้มันเฮ็ดเต็ม มันเหตุเป็นมันรู้รอบมันรอบกอารรู้รอบการแบนี้็ะน้ามีข้อมรอบของศิละปะของการจะนเลื่องน่งว่างมันรูดมันตึดมันทาเป็นโ็จีของสนนีมันมาจบกับนี่แต่ว่าการจบสิ่งข้อมผูกบนนี้หมดสิ่งข้นมดังเลื่องของใจบนนี้ สิ่งอื่นที่ที่ทำอย่ตีมันเบิดเบิดเบิดตัวมันก็ออกมือไปขีดมันขีมันดึงมันขีคข้มีขมหมดสิ่งเบ็ดยางเบ็ดหน้ามันห้งเจ้ากอนเขายกข้อข้อเสียบเขาบอกกันเมงทำขาก็บ้อมแหงก็เสีย มาเท่ามายสัมผัสตะคุ่มนันเป็นยังไงคมันมีคุ่มเลยมันคุามเต็มมันเต็มมันเห็ดต็มมันก็เทาเท่มันก็เกลือติดเกียวขาติดเกี่ยต่เมื่อใด้ม่ใน่าหรนั่นเป็นยัไมันรสชาติเกี้ยงมันสบายันเป็นการสัมผัสมาเลยมีคุ่มหลอกมันเป็นกำมันเป็นนายหลอก มันเปี่ยงเต่ามันหลุดอดหลุดก้นออกมาเจ้ากอนพนงผาเปี่ยนนี้มันไม่หลุดก็มนอยู่กับก้นแจ่ก่อนน้อยู่งหน้าถึงยก น, านการสัมผัสกั บ, บก้บกก้นแห้งปฏิบัติอยู่น่น้าอันนี้ไม่เป็นรถุาเป็นการสัมผัสทำไดท้ทันทีปฏิบัติบอกมันเรียนรู้เย ตัวกาชนะจริงมันน้อยเป็ น, นสิ่นสมมติตัวผลวันนึงจะตายได้ยังไงล่ได้สัมผัสในชีวิต้ามันไม่ละจะเล่นแบบนี้ตัวันจะเะก็นตัวเก็ดันจะตกปฏิบัติแบบนี้วันนึงเธอเอาข้อมลู่ถ้ารู่ชี้ไปมนเกิดเป็นไอ้เห็ดตัวเกิดถ้ามนเการจะเล่นสตีปัญหา เกลือ4ุขุ่นเขื่อนก็เกิดแสงสวางเกิดขึ้งดูลูไปลูไปจากแสงเทียงเป็นแสงมีอ่อนจากแสงดีอ่อนเป็นแสงพาสีสั่งสว่างเย็นเป็นมิตรภาพอะไรต่างมันก็ตาใเ้ามันจ่งเพาเดินด้วยระบบตำรวจตำรวจโมุดลหลักต่อเป็นทีทีลกเลือด ฤทคิผลไม่ได้พลานหรอหมดจิตหมดทานหรที่แล้วนี้มันต้องไปจบก็่อ้นี่หละเป็นของกิเ็สเป็นพุนธาของคนเราทุกชีวิตจะต้องมาไะจบกันสิกทุ่คนทำได้ทลุ่อคนเกเป็นกิเลสเป็นเลยเทปุจีใบบ่าเยาื้อจิตปังบอลลูน ตอนนี่เราเป็นคุทธาตอนให้เขาพยายามใส่ใจที่นี่เขาลงมาตั้นทาเป็นพระพุทธเจ้าการะลินญ้าของพร ะ, ระพุทธเจ้านี่เขามาทำเป็นิญ้าได้วยมาทำเป็นหญ้ามัอนกอาเขาศึกษาทางโลกที่คือของ การที่ท้างเขากลับไปจบ่ิริญญาจบกรกตเป็นผู้ชั่ช่องเป็นผสนิท่นในหลักที่ส้งกันกทว่าดูปิญญาของเขาะกเจ้าก่อนอันนี้คือตว่าเขาด้ทำปัญญาแบบญาติตะปญญากำหนดดูโดยการดูที่ทานี้สติกาหนดดูโดยใส่โดยใส่ที่ควาเปลีนเราไป่นี่เป็นงปัญญาเลย มัน ห, ห<ร>ลูหลอกหลูหลอบหลูหลอก <SH sessions S 1> ห<ร>ลุหรหอกกำหนดรูดยการรูดยาตะเป็นยากำหนดรูดูการตัวเครื่องใจเฮากำหนดรูดยการรูดมีเฮาเข้มย่างท่ามประเด็มันหลอกมันหลอกมันรุดมันลอมันป่นงามันเปลี่ยนง่ายรางกายทคอไหเฮารูดใจจิตมันจะรูมันจบแบบมันลอกแบบมันสั่งบริสิทมันมาต่อมันมาเป็นการสัติ ต้อเป็นสันติสันติสันติรอะท่องเที่ยวอยู่ในเส็นท้งของมนุษย์มนุดรอดออกมาทุกที่นี่รยยาจะเป็นยายะนาดเทากันนัดดูใจเป็นไหลดูใจผิดนิรู้เท่าเลยท่านนั้นมันรอบความจะหน้ามีคมรอบอันหนึ่นอองได้นี่ตายเป็นศินลปะตายเป็นอัตโนมัติข้อที่สอง ทีละธนูย่ากำหนดดูแลการหักยอกกำหนดดูแลการเกิดเส่ยงที่จะมาเพราะห้อกำหนดรูแลอรมันบูตต่อไปนันก็เป็นการบูตผลเจิดเสี่ยงผลโด่งน่าผลปุบผลมุดจนไม่สุดๆจบปเลยเขาเรียกว่าทีนะธนูย่ากำหนดด้วยการ ทุจรนะขณะที่นขารู่มันจะเป็นการทุจริาหลอบอยู่แล้วแต่มันทำหน้าทีเร็วมันทำหน้าทีเร็วพมันไปตกวิจากปิจุบุกเออตะขะตาคือเกิดานเตะตะขะาเขาบอกเลยดูหรอวะขณนี้มันยังไม่าั้นเลยแต่ผมให้ท่้นไปตีใอญ่ขั้นไปตีให่ขันจับตัวใ่านปั่นจากอาขั้นเขาบอต้องรู่หรอเออมันรอกอยู่ในหัวมันเลย เมื่อกำหนดดูด <c oughs> ู <sho ck> กันดูมันก็พานไปเลยพานวิตกวพานกันพ า, านจิตพนิตะไเงี้ยมันเป็นพระมิจฉุอยู่สองทีมันตกมาจัดมั่ตกมาตึงดีขณะที่มันมาา ท, นน า, ทนานมาเนี่นนยมันพราบริจาคจัดปวดจัดเหนื่อจักอกจักว่างหมแต่พอมาถึงทีหลังกาหนดดูเขามาเห็นตรวทีการรัดเขาก็ว่า อดสมัยชานตุติยาานิติตยชาจะตุกิาติปั่นจมกานท่าจะยังไม่ประสบิการณติดติุกเอราชเราปสบิการณ์ติดติบุกนันนี่ ส, ส, สติอยู่เดี่ยวเาเลยมาเห็นตัวอู่แบบขณะเที่นี่สติก็ไปดูกายเคลื่อนไหวเห็นใจมันิดนึ่งรู้เท่ารู้ทำหนึ่งก็เรียกว่าเขาได้ทําลอกลอกเล ย, ลเลยมันพานหน้าที่เน ปัญญาสามญาติญาติญาติละปญญาปาหาปริญาทั้งสามมันรอบถ้าท่านี่สติดูมันรอบมันจบหมดเลยแต่ญาทั้งสามมันรอบมันลดมันผลปาหาปริญาอนที่สามมันลดมันผลเลยมันขาดละมันขาดมันปานาปัญญาเลยถึงขาด มันเต็มยากพุ่มกำเนิดของผูกตัวสติาการสติในหน่อยธรรมดาเป็นสติปัจฉันเป็มหาสติปัจฉันมันพุ่มทั้งหมดดังที่เร่บองเคลื่อนว่ามันโฉมคอลงอันเดียวเนีเ่ยบิ้งขั้นสอนทั้งหมดนันก็ร้อยสร้างเป็นสัตว์ยังไงร้อยสัตว์อื่นจะต้องมาลงทีเพระนั่นจะทำ้พุ่มรู้สึกระหลือได เห็นกายเป็นไรเห็นแต่จิตไงมีเลยว่าห้าทถ้ำหอกตัว้ำตัวนี้ให้มากจะเล่นตัวนยนะัมันเป็มตัวเองไปหลงแย้วไปเสียดายอยู่กับคนหลกที่ตกที่จานเอ่อเรื่งไเห้าไม่สติมันทันอย่าไปบังคับมั น, นจิตใส่ปติตตังหัวมันจว่าเขาเพี้ยงเป็นผู้หลุสติมันสีแจกล้ามันสีมี่สิบอเพาะมันสิบให้มันคิดต้องไสแต่ว่าไม่คิสิใดู้หดทั้งนั้น เรียกว่าได้ทำหลอกทำหลอกแค่ไปหามแต่ไปหามความคิดนั่นที่เป็นชนะโอเกิดปัญญาโอเป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาลูกข้ำโอผัดแจะโอจริงพอได้ความผัดแฉะนานที่เข้ามาได้ทุกกรรมฐ า, านาาน่าจะเิ่นวิปัสสนาแลบบ้ว นด้ม่ความอบอุ่นใจถ้าพูดตามความรู้สึกของผมเองเป็นเป็นทฤษเป็นที่ทุกข์ของการแสวงหาผู้วาอาจารอีกแน่ว่าได้ไปแสวงหาผู้ใดว่ได้ เ, เลื่อน เ, เลขสงสัยลื่อเลทั้งหมดถ้าจะพูดตามหลักความรูก้กับโบเคยเลียนเคยอา่านว่าได้ อ่านไม่ได้ศึกษามาปริยัติหนี้หนอแต่ว่าใช้เขาว่าแต่เรื่องหนึ่งเพราะรู้เรื่องนี้เข้าใจด้ื่อนี้บริการข้ม่าวพฤติกรรมข้อม่าวของผู้ื่นมาบอกว่าจากขวอมูลสุดของตัว้ที่อกนี่ก็เป็นเรื่องของตัวจำเรื่องหนุนเขาว้าจํานึ่้หนอจนมวลน่านไหลใส่กันอันนั่นก็เป็นเรื่องของตัวแต่ว่าผมเหาเรื่องข้อมูล จากที่วิจิตรการการสัมผัสที่วิจตที่วีจิต น, นี้เื่อกั น, นกนัตถุผลต้องพานมาหาตนถ้าพว พ, พ, พันไม่ห น, นีไม่เป็นทั้งสิ้เพราะเพราะทำขั้นตอนตรงผู้เดียวเป็นทั้งสุ้นหเป็นทั้งหมดกาหลักม่มีจิตอื่นที่เหตุที่ทำอีกต่อไปอันนี้บริสัาบ่ิสูจน์จากผลลัพธ์าลลัพธ คดใจทุกคนผู้ที่รู้หนังสือแต่ต่างผู้รู้หนังสือก็่ต่างผู้นิ่งผู้ใกล้แต่ต่งนิ่งอันเดียวทอานี้ที่จิตใจของเราเนี่ยเดียวตอนนี้ทังจิตจุดของสุขนี่เท่านาี้นี่ศาสตร์ชนะศึเป็นตัวปัญญาเข้าไปกำจัดมดชะละมดสิ่งในจิตที่เกิดสุขของหลายท่านผูเท่ากับเหตุใดผู้นนกันเหตุใดในเรื่องปีจะได้ิ่ง ท, ท, นนนทาน สํานดหลูมแล้วก็เป็นลักสากลต์สติปัานเป็นลักการของการปฏิบัติแบบสากฏเข้าเยื้ใส่ไปเยื้อในห้องอกลับไปบ้านไปเยื้อน้ำโลกนําหลานสติจะไม่ขันอย า, มากมันก็อยู้หน่องเมื่อเข้ากำหนดเสมันก็มีหลดพอมีหลด ม, มีน้ามีใสมีใจมีเยื้อสติมันก็อยู่กับห้องบอมเอนมานอนมีวัดอันนี้เป็นปฐมมณิเทศเบื้องตน้น เขมาหาวิธีท่าเมื่อได้รักเราก็จะเห็นดีบาดโพลังค่อนไปเข้าใจอยู่กับอริยบทในการเก็บป่ายตรนี้สมัยตั้งแต่ยังวังเลยไปไปทำไม่ออกชาววังเล่ยชาเชอดเช้นขั้นไทยเจ๋อหรื อ, รอ ไ, ไอออยอทยป่าไ ป, าาไปเข้าใจธรรมะหรือ ก, กับการเก็บป่าดูกายเคลื่อนไหวในการเก็บป่ายเป็นสติดงขึ้นมา เต็มถัดไปรุดตลอดรุดค น, นทำไมตรงนี้ถ้านเป็นสาคนเตากลับไปบ้านไปยนูน้ำโลกน้ำหลข้ามปิดทางนัน้นตู้เย็นหนังสือแต่นี่สติเป็นการประดับชีวิตใหาตลอดมันมีคำว่าศึกษามาปฏิบัติช่วงระยะจำจนเด็ตมันเป็นการควยโอกาสหาสิ่งเด็ดดองห้เขา ล้วก็สิ่งวดลอมควมเข้าจิสวยโอกาสใดนีจิใด้งไปศึกษาีกำหนดถ้างิ่วอมบ่ใด้ม่จตื่นการหมุ่ ง, นนะ ง, ง ใ, นนในบาศไิสงบก่อนนอนก่อนหลับกำหนดสางตให้เป็นนิสัยเป็นตไคร้โน้มตรงต่อตาการต่อให้ฟังให้ดไปปฏิบัติ มันก่ียมันเห็นเ ก, กลีดแล้วฟังเราจําเราจำฟ้องเบาแบบเอาฟ้องเบาเนี่ยไปทำมันเกิดนี่แกเห้าวปฏิเสธปฏิปัญญาลูแกลงสีเอาให้กันวรทณะแก่แก่ในห้าวนํางแต่คิดปฏิบัติเอาเองอันนี้ตอนเก้าวนานัวนวนี้ตรงขั้วแกเรียนมาขอจบการปูในตอนสาไว้แต่กอเพียง